ทรงประชุมทรงบรรยศข่าวบอกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุ ม, ชมทรงเพรเรื่องนี้เป็นข้อหีบทรงสอบถามท่านอัตกะสกยบุต ร, รว่าอาตกะรับทราบว่าเมื่อเธอเจรจากับพวกเยรธีปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องราเทีทั้งที่รู้